เป็นต้นใจของพระพุทธศาสนาที่มนุษย์ทั้งหลายขอนามัรรการหลวงพ่อที่เคารพหลวอพเขียนแล้วก็คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ทุกๆรูปทุกๆนาม คอยฟังไหมขอเจริญพรอบาตกบาทิคาทุกท่านจักที่บอกยังหนักบไปยมเดงเนาะฟังก็ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไ่ได้ก็ฟังโดยเนี่ยเกิดมาลงบอกเรียงแต่ข้อมูลจลองนาเพราะว่าเราเคยลงมาแต่ก่อน เคยหลงมัดแต่เก่าแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ประเกิดมามาเกิดมาแล้วก็หวังจะได้ความดีทุกทุกคนน่แหละเกิดมาอยู่ในในโลกเนี่ยแต่วันไม่รู้จักไม่รู้จักคุณงามความดีของเราก็ทํางานไปตามยถากรรมนี่แหละทำไปตามเรื่องตามราไปบางทีก็เป็นบาปบางทีก็เป็นบุญบางทีก็ทุกข์บางทีก็สุขมันอยู่เป็นอย่างนั้นตลอดไปหลงหตลอดเวลา เห็นนรกเป็นตะวันเห็นกุญแกเป็นนกบัวเห็นผิดเป็นถูกเอาความมโธทิฐิความที่เนื้อที่ตัวนั่นแหละมาเป็นหน้าเป็นตาหมุนทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าแต่ตัวเราเราเองเป็นป็ดอยางนั่นไม่ดูดขักก็ทำไปตามยถากรรมนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้อยากได้ไปตามใจตัวเอง ถูกตาหูจมูกดิน้น ใ, ใจใจหลุดถูกหลอกไปทั้งอายัดนาภายนอกอายัดนาภายในมากระทบมาเนก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็เกิดทุกข์มดีใจบ้างดีใจบ้างก็เป็นไปตามเขาหมดมันอยากกินมันไปอยากไปเล่นที่นั่นที่นี่อมันขยนันมันเอขี้เกียจที่ขันก็ไปตามมันหมดนั่นแหละเอาแต่เขาจะพาไปเขาพาดีใจก็ดีใจเขาพาเต็ม เสียใจเราก็เสียใจเหมือนกันเป็นอย่นั้นเนี่ยคุ้มเรียล่ายคุ้มดีวันหนึ่งเป็นบ้าตั้งหลายครั้งเป็นอย่งนั้นตลอดไปเลยแหละตลอดจนถึงวันตายไปยึดมั่นถือว่าในถึงนั่นถึงนี้ไปตะพื้ตะพือไปไม่รู้จักลดหย่อนผ่อนผันเอามีมณะ์ทีเนี่ยที่ถือความทิฏฐิตัวเนี้ยว่างปล่อยวางไม่ได้เอมีแต่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอะไรผิดก็ ไม่ว่าผิดแตะไม่ว่าว่าแต่ต่อทําถูกประพฤติผือไปเถียงกันอก็เป็นหนึ่งนั้นแหละเป็นจนตายไปเอาถึงนั่นมายึดไว้เอาถึงนี่มายึดไว้ห่วงอันนั่นห่วงอันนี้ไปประพฤติตะพือไปแล้วก็เอามาเถียบมาหาเอาคุณงามความดีนี่ก็โอ้ยากจำทีไม่รู้จักอะไรเป็นของดีหมดขอให้ถูกใจก็แล้วกัน มันอยู่เป็นเนึ้อะจนเป็นนิเตอติดตันดานจนถึงวันตายตายไปก็ยังบสิ่งที่เราทําอยู่นี้แหละที่ทาที่เอนี่แหละจะเป็นมุนโดกตกทอดที่ไปตืบเนื่องจากชีวิตกิจใจของเราไปนี่ก็อันเดียวนี้แหละมันเจ้าเป็นเจ้านายครัเราเราลดหย่อนผ่อนผอนมาได้ไม่ได้นะเราก็ไปเอานั้นแหละ กลับไปกลับมากลับกอกเนี่ยเกิดมาตั้งร้อยชาติปันชาติก็อยู่อย่างนี้แหละบุกเวียนเวียนวายตาเกิด น, นี่แหละเอาหาออาเขามาเป็นอาหารตัวเองนี้แต่ไปเอ า, เอาไปฆ่าตัดตัดชีวิตเขาก็กลัวตายเราก็ไม่นีกจากเรามีแต่ดีอกดีใจได้แล้วว่าตัวมีบุญมีทาน วันไหนได้ไปยิงเนื้อได้มาเป็นนิเก่งเป็นหมูป่าหรือว่าเป็นวัวป่าหรือแล้วแล้วแต่ละเขาว่าเป็นเพราะบุญวัฒนาน อ, อมีบุญได้บุญหลายวาโช克าบแท้เจ้าของสร้างความทุกข์จนจะตายลแล้วแหลนะนะไปฆ่าเขาเนี่ยเราไม่รู้จกักหรอกก็ไปเอานั่นแหละไปยืนมั่นถึงมันในถิงนนั่นแหละว่ดดีมีน้มีตา ใบ ไ, ไหนก็มีคนนับหน้าทอษาเพราะว่าเก่งมากเอาความดังๆนั้นไปอวดกันเอาแต่ความที่ได้เปรียบคนนั่นแหละได้ดีขัวคนนั่นแหละว่ามันเก่งแต่ที่เกิงแล้วเอาจนกลายเป็นความชมนานิชำนาญเป็นแบบนะะั้นะจนติดจนดานแล้วจนตายสร้างนะแบบนั่นแหละสร้างเราฆ่าตัวเองนะ่ะ ฆ่าตัวเองนั่นแหละไปเบียดอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนอะไรทุกอย่างที่เรามาเบียดเบียนตัดแล้วก็เบียดเบียนมันรุดด้วยกันก็สร้างแต่กรรมให้ตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วไม่รู้จักแก่ตัวเองไม่รู้ลดจ่อนผ่อนฟันมีแต่ไปยึดมั่นถึอมั่นติ่งนั่นถึงนี่ไม่ไม่ไม่รู้จักพอเรามาเข้าใจเท่านแหละเข้าใจเข้ารูปรู้แต่งนามเนี่ยมันทุก มีตั้งแต่ออกให้ออกจากทุกทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเอไม่ได้สอนการทำบุญในทานารักษาถิลนนี้นั่นนะทํามาตั้งแต่งแต่ออนไดออกตั้งแต่พ่อแม่เราเกิดมาก็พาทำมาเลยจนนั่นแหละก็ได้ทํานิธรรมนานจนทำนะก็ทําเป็นหมดอะไรวิธีกินวิธีทานรักษาศีลอะไรเนี่ก็ทํากันมาแล้วแหละพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้สอนเราแบบนี้ทา่ทานไม่ได้สอนเลย เพราะว่าสอนมาแต่นานแล้วก็ได้แค่นั้นแหละแค่สอนไว้แล้วนะแต่ส่วนที่มาประพฤติปฏิบัติอย่างเราเนี่ยไม่มีอไปก็ไปมีแต่ทําบุญใน้ท่านานักสัตว์ติณก็ปรัชนาอ้อนวอนให้ชิงนั่นมาช่วยให้ติงนี้มาช่วยปฏิปทาตันปรตชนาเอาแล้วก็เป็นอยู่นั่นแหละไปบวงสรวงแบบนั้นแบบนี้ เอาใจไปฝากว่ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อันนั่นสิ่งนี้มาช่วยคือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งอะไรไปปัตตนาอ้อนวอ น, วอนบุญบานสารเก่าตั้งขึ้นมาไว้กับกี่กับใจตัวเองเคารวบบูชาสิ่งที่นอกตัวนอกตนไปเรื่อยไปจนตายคุถามว่าถือศาสนาและศึกศาสนาพุทธไม่รู้จักไหย นี่แหละเราคนมาเกิดมาวงเวียนใหญตายเกิดอยู่ในภพในชาติเนี่ยมันรู้ยา ก, กี่กับกี่กันแล้วก็ทำแต่ของเก่ามาแต่ของเก่าของใหม่ที่เรามาทำอยู่เนี่ยยากไม่มีคนมาทำหรอกบอกมาก็ไม่มาโฆษณาท่าไหนเขาก็ไม่เชื่เอเนาะนี่แหละของถึงที่จะมาเปลี่ยนจิตใจเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยให้มันเป็นสัตว์เอ่อเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินป็นพรม เป็นพระอริยญาติไปที่เหนที่เรามาหิคอยู่เนี่ยหมดไม่เป็นอันเนี้ยอันที่เรากินอยู่นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในเมียงมนุษย์ตัวเนี้ยดีการใททานักตันนี้เป็นยอดบุญยอดกุศล ท, ที่เราทำอยู่เนี่ยบุญนั่นก็คือความสบายใจนะั่นแหละทําดีท่าอะไรมันก็สบายใจได้อะไรมากๆก็สบายใจถ้าไม่ได้มาก็เดียดร้อนอกเดือดร้อนใจอิจฉาพยาบายกันก็เดียดร้อนอกเดือดร้อนใจทําแต่ความ ความนั้นเนี่ยไปยืนมั่นถือมั่นในนนถึงนั้นอ่ะปล่อยวางก็ไม่ได้จนว่ากลายมันความเคยกินไปหมดทุกอย่างก็สิ่งเหล่นั้นแหละพาเราวกเวียนไว้ใต้เกิดอยู่เนี่ยไม่ได้หนีไปไหนละกลับมาเราก็มาแทรกแทรกกรรมกันแทรกกรรมหมดแล้วก็มากรรมใหม่ที่มาสร้างอีงมาสร้างอีก่งเดี๋ยวนี้ละอย่างที่เราเกิดมาเนี่ยอันกินอยู่นั้นก็ที่เรากินอยู่ทุกวันนี่ก็ ก, กรรมเก่าที่เราสร้างไว้นั่นแหละ ม, มันมันโดนมันดาน ที่เราทำไว้นั่นน่ะเออมันเกิดขึ้นมาเป็นคนมันก็เกิดขยันกันมันเพียนขึ้นมาอยากทํำมานั้นอยากทำมานี่มันอยู่กับชีวิตจิตใจของเราหน่ะความขี้เกียจที่ฆ่านี่มันอยู่กับพวกที่ทําชั่วพวกที่ทําดีเนี่ยเขามีแต่คนขยันนั่นมันเกิดขึ้นมาเองในกิตติธรรมเราเราสร้างมว้แล้วเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นมาเพราะกรรมเนี่ยทำดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเราทำกรรมได้ก็เป็นสมบัติของเราทั้งหมด เป็นนวัตบาดเสียวแล้เกินเราเกิดมาเนี่ยพอเรามาเข้าใจเนี่ยมาตัดกรรมตัดเวรเราเลยแหละนี่แหละตัดพพตัดชาติตัดบัปตัดกรรมออกไปจากชีวิตจิตใจของเราไปคือเรามาประพฤติปฏิบัติเราทําอะไรนะ่ะสิ่งที่ดีเราก็รู้จักสิ่งที่ชั่วเรารู้จักรู้จักชีวิตจิตใจของเราเวลามันคิดออกไปเราก็รู้จักว่ามันดีมันมันมันไม่ดีเราก็รู้จักแต่ว่าเราคืนไปทําเอาเปรียบ คือว่ามันไม่ยังยังไม่มันนั่นเราไม่เห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นโกงจากเป็นดอกบอัเห็นถูกถูกเป็นเห็นผิดเป็นถูกมันปรนตัดใจของมาแต่เก่าแต่ก่อนมันจำจํานิทํานานไปแล้วเราไม่รู้จักมันสร้างตั้งแต่นรกทางไปนรกเรื่อยไปตะพุทอตะเภือไปฆ่ า, า, าตัดจัดกบิตอิจฉาพยาบาทจ้องนั่งจองขานกันไปอย่างเนี้ยมันพอมันไม่ไม่หนีไม่หนีออกจากทุกข์ไม่ได้มีแต่สร้างเราสร้างความทุกข์ไปแล้ว ก็เลยมาทําอย่างนั้นนี่แหละให้เราเข้าใจอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นหน้าวัดเดียววัดเดียวถ้าเรารู้จักอย่างที่เรามาทําอย่างเนี้ไม่ได้บอกยากหรอกคนนะ่ะเขาจะมาปฏิบัติหมดเลยเพราะว่าเขาว่ามันไม่มีนะ่ะสวรรค์มันมีจริงไหมบาปบุญ น, นี่มันมีจริงไหมมันไม่เข้าใจเพราะไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเราสร้างขึ้นเองนั่นแนะ่ะไม่มีใครมาสร้างให้เราแหละ บุญเราก็สร้างกันเองบาปเก็สร้างกันเองมนุษย์สวรรค์เราก็สร้างกันเองนิพพานเราก็สร้างกันเองให้รู้จักตอนเราเป็นเป็นคนเนี่ยให้มาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจกันหน่อเนี่ยมันบาปมันบุญมันขึ้นสวรรค์มันไปนรกเราก็รู้จักมันเกิดอยู่อยู่ตลอดว่าแต่เราไม่เข้าใจพอมาเข้าใจเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันพาเราไปนรกเนี่ยเราก็รู้จักมันพาตไปสวรรค์เราก็รู้จัก อมันจะไปภาพอนิพานเราก็รู้จักมันต้องรู้จั ก, กตั้งแต่เรายังไม่ตายเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากคิติตใจของเราเนี่ยพอมาเห็นความจิตปั๊บเท่านั้นแหละเออตั้งแต่ก่อนเคยไปตามความคิดคิดดีก็ไปเป็นสุข ก, กับมันไปคิดที่ว่าก็เป็นทุกข์กับมันมันก็แมีมีสุข ก, กับทุกข์เท่านั้นแหละอยู่กับเราเนี่ยเราคอยได้คลองอยู่ตลอดตลอดเวลาจนวอดวอดวันตาย เรายกวางวางมาได้ถ้าเราไม่มาพุทธเป็นบัตรแบบนี้เราจะไปคลองถึงนั่นแหเป็นสมบัติของเรานั่นแหละคนเรานะ่ยมันหาความสุขนะมีขนาดไหนได้ไหมก็ออดออดทุกข์มาได้มีเงินมีทองมีเข้าไปคลองมากๆเยอะแยะมาแต่ยังอดนี่มีโรคมีกวดมีหลงอยู่เป็นหัวหน้าเราไม่มีใครจะปล่อยวางได้ มันก็จะไปอยู่อย่างนั้นก็สร้างอยู่อย่างนั้นเนะี่ยมันก็ได้เป็นของเราไปอยู่อย่างนั้นนะเกิน <c ười> มากก็เราก็ไม่ได้เห็น่างทีอยไม่ตายเราก็เห็นไม่ตายเราก็เห็นตายไปแล้วเราก็เป็นเราก็เห็นเพราะว่าเป็นสมบัติของเราที่เราทำไว้แล้วนะมันจะพาไปเองมันจะทำเองเราไม่รู้จักหรอกเราจะทำมันนั้นมันจะทำนี่มันเกิดกับใจของเรานี่นแหละถึงไหนที่มันเคยทำไว้แล้วนะมันอดทนไม่ได้หรอกมันต้องทา เค อ, อิจฉาเคยพยาบามบคนนั้นคนนี้ถึงเขาเราก็ต้องไปแทนกันแทนกันไปนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเรามาตัดกรรมตัดเวรแล้วมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยพอเห็นความคิดปั๊บเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ก่อนเราไปอยู่ในความคิดบันนี้พอเห็นปั๊บเนี่ยเรามีสติแล้วเนี่ยมาดูกายดูใจของเราเนี่ยกายก็เคลื่อนไหวด้วยแบบใดแบบใดก็ให้เราเป็นผู้รับรู้มาอาศัยกายกับใจของเรา เนี่ยกายมันก็อาศัยใจใจมันก็อาศัยกา ย, ย, า ย, ยที่อยู่ของใจนั้นก็คือกายของเข้อเนี่ยทุกข์กันอยู่นี่อะไรก็มันรวมอยู่ที่กายของเราเนี่ยมันก็มีส่วนชีวิตจิตใจนั้นก็มันก็กายทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไปด้วยแต่เพื่อจะเพื่อนะเอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดตลอดถึงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องพอใจเรื่องไม่พอใจเรื่องอิจฉาเรื่องภัยบาตรเรื่องจองเวรจองกรรมกันไปแต่แล้วพัฒนามันเป็นไปเป็นไปตามมันหมดเพราะว่าเรายังไม่ทันรู้อ่ะ พอเรามารู้นะโอ้ยรู้จักรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบ้านเนี่ ย, อยลลเย อ, อพอมันออกจากความคิดเราไม่ทันความคิดนั่นแหละมันเป็ น, น อ, อ่ะพอยุงความคิดปั๊บเนี่ยเรากลับขึ้นมาแล้วมันยกมือเนี่ยเรียกมันเข้ามาอยู่บ้านบ้านมันก็อยู่ที่ไหนก็คือกายของเราเนี่ยเป็นบ้านของเขาถ้ามันออกจากบ้านไปก็เป็นความคิดเนี่ยอดีตอ น, นาคตสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็มาคิดยังไคิดดีคิดที่ว่าคิด อิจฉาคิดพยายามบัดคิดจ้องว่านจ้องพันคิดอยากได้อันนั้นอันนี้อั น, น, อ น, นได้ได้มาสมปรารถนามันก็ดีความถูกมันก็ดีอกดีใจถ้ามันไม่สมปรารถนามันมันก็เดือดร้อนคิดจนยินไม่ได้จนนอนไลกายจนเป็นโรคประตาดไปก็มีเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีทีมีที่งที่อาศัยคือตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยตัวสติตัวปัญญาของเราเนี่ยพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานเนี่ย ยกมือเนี่ยเราเราโยกยกโอเคให้ใจมันไปด้วยยกให้ใจรู้จักเอาขึ้นเอาลงให้รู้จักให้ทําอยู่อย่างนี้แหละมันไปเที่ยไหนเที่ยไหนกว่าให้รู้จักมันจิตใจของเราเนี่ยมันรับมันทังมันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราเห็นมันเห็นแล้ววิธีเห็นว่าเห็นมาก็โอ้นี่เรื่องของเขาเรื่องเขาเขาเขาทางานของเขาเขาก็ทําของเขาไปแหะแต่ว่าเราอยาเข้าไปเป็นแต่กว่าเราเขาเป็นของเขาเนี่ยเขาไปไหนเราก็ไปแบบพอ เขาดีก็ดีกับเขาเขาชั่วเขาชั่วกับเขาเขาขี้เกียจที่ขัน้นเขาอยากไปโน่นไปนี่ไปกินไปเล่นไปเตะแต่เนี่ยก็แล้วแต่มันก็ไปตามยถากรรมของเขานะี่ยนี่แหละสิ่งที่เราทําไวน้นนะ่ะทำไว้ก็เป็นสมบัติของเราเราทําตั้งแต่สิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างประปนกันไปเนี่ยเราก็เกิดชาแนี่ลเข้ามามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจถึงมันก็เป็นไปตามที่เราตั้งไว้นั่นแหละมันเป็นเอง ไม่มีดอกของใครของมันสมบัติของใครสมบัติของมันเรื่องเนี้ยพอเรามาเห็นอันนี้แหละพอเห็นคีวิตจิตรใจของเราเนี่ยเรโอ้อันนี้ฮะเรียกพบเรียกคาดเกิดได้แต่ไปฝันแท้ๆมันจะไปทำมัน น, นนั่นทำมันนี่อันสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่กล้าทําเออราก็ไม่กล้าทําเลยเขาจะให้รางวัลเนีหลายก็ไม่กล้าเอาตั้งแต่ก่อนไม่ว่าเราะพอให้ได้ก็แล้วกันมันเป็นอย่างนั้นมันมันมันหนีกัน พอเราเข้าใจน่ะเราจะจักเพศภัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเพศภัยที่มันเกิดขึ้นมันทําผิดทั้งนั้นแหละนรกมันอยู่ที่ไหนก็สิ่งที่เราทําขึ้นอย่างเนี้ยมันเป็นเป็นมันเป็นนรกอ่ะเออเนี่ยเมื่งมนุษย์เนี่ยล่าเราให้รู้จักใช่ไม่เป็นน่ะเรามาอาศัยสมมติน่ะอยูเน่มีแต่สมมติทั้งหมดนั่นแหละเอาสมมติเราใช่มันเป็นถ้าใช่ไม่เป็นมันก็เป็นนรกเป็นตะวันเป็นนิพพานสารพัดแต่มันใช่ใช่เป็นมันก็มีประโยชน์มาก ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไม่ก็ไปตกนรกไปทุกข์หระยากไปอย่างนั้นแหละมีมีกายมีวา จ, จามีใจอย่างเนี้ยทําทั้งกายก็มีทำทั้งวา จ, จาก็มีทางเรื่ใจก็มีนั่นน่ะมันมันก็ทําอยู่นั่นแหละให้ให้รักษากายวา จ, จาใจของเราเนี่ยทําทังษาให้ดีอยากไปนั้นน่ะให้มันรู้จกักถ้าเรารู้จักอันนี้น่ะมันรู้จักดูนั่นน่ะมันก็จิตใจของเรามันก็อยู่นี่ เราก็ดูอะอะไรเกิดขึ้นมาให้เรารู้จักรู้แล้วก็รู้เฉยเฉยรู้แล้วก็บวกจะไปห้ามเขาไม่ได้ดอกอะไรเกิดขึ้นก็ให้ก็ให้มันฑิเห็นเห็นแล้วก็เล้วไปเราจะเข้าไปอยู่เราจะจะเข้าไปเป็นโอ้อันนี้มันกเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนอาการวัตถุที่จริงที่มาเกิดให้ฮะให้เราเห็นเนี่ยมันมีพิษมีภัยก็มีมีบุญมีคุณก็มีมันมีหลายดีมีทั้งดีมีทั้ว มันมันยมีมีปะปนกันไปอยู่นั่นะเพราะฉะนั้นเราทำอนี้เนี่ยให้เราทําให้ดูแต่ดูตัวเองอยู่ที่เฉยมันก็เป็นทุกข์เมื่อเขาเลี้ยงน้ำมาคิดเอาเรื่องน้ำมาคิดเอาอาดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เก่าปีที่ปียี่สปีตอนที่ปีจนจนนนัดตายเราก็ยังเอามาคิดอยู่มันก็ทุกข์นั่นแหละกรรมเก่ากรรมใหม่เออมันก็เอาเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละกรรมเก่าของเราเอามาพูดทําไมมันมันเป็นอดีตไปแล้วมันล่วงไปแล้วยังเอามาคิดอยู่ เนี่ยเกิดขาตัดตัดวิดริยะเราทำบาปทำกรรมอะไรไว้นั่นน่ะก็ไปเอามาคิดอยู่งั้นแหละคิดว่าเราเคยไปทำชั่วทำอะไรไว้แล้วนั่นน่ะกลัวจะไปแทะแทะกรรมกลัวจะเป็นบาปเป็นอะไรนั่นน่ะก็กลัวก็ไม่มรู้จักบดจักละจากวางไปมันก็เป็นนั่นแหละเดี๋ยวเพิ่มไปปตะพื้นตะพื้ไ ป, ไปมันก็จะเป็นอยู่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ย ให้เข้าใจเข้าใจชีวิตของเราในปัจจุบันนี่แหละมาดูปัจจุบันนี่แหละมาดูรูปดูนามของเราเนี่ยมาดูกายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันใจมันเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ให้ออกกายเป็นเทียนไปด้วยวิธีใดก็ให้ใจรูป้ไปด้วยจะทําการทํางานอะไรก็ตามจะเดินไปไหนก็ตามออนั่นแหละให้เราดูตัวเอง อดูไปดูไปมันขี้เกียจที่ข้านมันเหนื่อยอะไรน่ะเราอย่าไปเอาสิ่งที่แต่ไม่ดีอยู่เกิดกับเอาเนี่ยให้ให้เราอย่าเอาเลยเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่อยากทํามันนั้นมันอยากทำมันนี้มันอยากไปพูดอันนั้นอันนี้สิ่งที่ไม่เข้ามันไม่ดีเนี่ยให้เราคิดก่อนสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทําเนี่ยเราทาั้งขึ้นหมดทุกอย่างในที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นมันไม่มีสติมาดูตัวเองมันก็เลยเป็นปล่อยตามทิวิติใจไปตามยถากรรมมันจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเราทำขึ้นเองทั้งหมดเลยไม่มีใครจะมาทำให้ความดีความชั่วเนี่ยเราทำเองทั้งนั้นจะไปมีบัางมีทีถุกอะไรก็แล้วแต่เกิดมาแล้วเป็นคนนั่มคนรวยคนแล้วแตกก่ก็เขาทำขึ้นมาเองทุกยากเข็นใจไม่มีใจอยู่จจกินอดอยากผุดเคียงทุกอย่างที่เรา มันเป็นนั่นนะเพราะอะไรเพราะเราทําขึ้นมาก ร, รมของเราตั้งแต่ก่อนอยากเข้าไปใ จ, ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นน้ำเราเองนั่นแหละให้ให้รู้จักพอเรามาเรียนอันนี้มันจะเข้าใจตัวเองเข้าใจอะไรอะไรเราเกิดอีกทั้งหมดเลยนั่นแหละเพราะว่ามานี่ก็เราอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเนี้ยก็ให้เราดู ดูตัวเองเอาแต่ตกไปตั้งแต่นี่ะสร้างนิพพานเราก็สร้างคือเดี๋ยวนี้แหละความสบายอกสบายใจไม่ห่วงใยไม่มีอะไรปล่อยวางไปไม่มีอะไรก็เราก็เห็นอยู่เป็นระยะเป็นคั้นเป็นตอนไปก็มีบางทีก็ซ้ํซๆำซกๆ ก, กประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวชั่วมันก็ปะปนกันไปเพราะว่าเรายังไม่มีสติพอถ้ามีสติพอแล้วก็ ให้มาดูกายขึ้นไปยู่เรื่อยๆทํำอะไรก็ทำเรื่อยๆเอาใจเนี่ยดูดูกายกับใจของเราเรื่อยๆไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้เกิดขึ้นก็รู้เออมันจะคิดไปอดีตอนาคตโอ้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันออกนอกไปแล้วเราก็มาอยู่กับตัวรู้เขามาตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันก็มันก็หายไปอย่างเนี้ย โอ้หลวงพ่อไปปฏิบัติตทแทรกเนี่ตั้งแต่ก่อนนะอยู่กับทุกข์กินกับทุกข์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเออพอมาเห็นความคิดตัวนั่นแหละเห็นคิดปับ๊บเนี่ยที่แล้วนึนกว่ติดความคิดไปเนะคนวามทุกข์อย่างไไงั้นเนี่ยทาไปยังไงเนาะมันคิดเนี่ยคิดถ้าไม่มาประพฤติธปฏิบัติเนี่ยเรามันไปนั่งคุยกับหมูกับเพื่อนอย่างนี้มันไม่คิดเลยมันไม่คิดอะ่ะถ้าไปอยู่คนเดียวไป ยกมือตั้งมาเดินทุกคนนะคิเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนี้ยังไม่จบอาอยัางเอาเรื่องขึ้นมาอื่นมาคิดอีกอมันเป็นอยู่นั่นเป็นหลายตั้งหลายเดือนอยู่ทำไงเนาะจะออกจากความคิดไ เ, เนาะไปถามครูบาอาจารย์โอ๊ยไม่ไหวหลวงพ่อพคิดตลอดวันเล ย, ยกลางคืนก็ น, นอนฝันฝันไปนร้อยแปดไม่รู้เอาอะไรมาฝัน เรืองอดีตเรื่องอะไรตมันเอามาฝันน่ะกัไปถามบอกท่านเออกรรมนี่อยู่กับตัวรู้ตึกเท่มันดูรูปดูนามเท่ท่านบอกอ่ะแต่รูปนามเนี่ยก็ไม่รู้จักเนี่ยพอมาเข้าใจเนี่ยอย่าไปอยากได้รูปนามเนี่ยอะไรทุกอย่างไปอยากเอาขอขอให้เรารู้ก็แล้วกั น, เ, กนเนี่ยมาต า, า้งจังหวะมันรู้เนี่่กลยกับใจของเราเนี่ยกลายกันไว้ได้ววิธีใดเราก็ให้รู้ รู้อยู่ตัวนี้แหละอะไรเกิดขึ้นมานั่นแนหะเราจะคอยเห็นเองความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล่าของมมิ้วมันจะเกิดขึ้นมามันธรรมชาติของเรามันจะไปบังคับมันไม่ได้มันจะค่อยๆเราจะรู้จกัไจกไปรู้จักไปรู้จักอ ด, ดจากทนรู้จักดูตัวเองแล้วก็อันอื่นมันจะค่อยเกิดขึ้นมาโอ้อันนี้มันไปเห็นความคิดเอา้าอันนี้ก็เป็นความคิดด้วยนะเอียถ้าเอาเรื่องนันมาคิดมาอยู่คนะกรรมากายมันก็เข้ามา เขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเราดึงมาบางทีก็ดีอยู่น้นบางทีก็ติดต่อเป็นลูกโซ่ไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปจบเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้จบเรื่องนัดนั้นเอาเรื่องนี้ไปมานี่ก็ทำไงก็ไม่หายหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยหาวิธีตัวเองเดินไปเข้าดึงหยาบดินเดียนปับ๊บรู้ดูรูดูด หนึ่งสองหนึ่งสองบางทีก็ขวาไยขวาไสาพร้อมกับเท้าลงพื้น พ, พื้นดินเอาไปเอามาเอาไปว่าหยุดทําตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ไปออกอะไรเอาตัวเดียวถ้าไม่ออกปากก็ถ้าไม่คิดว่าในใจนั่นแหะมันไปอยู่ในความคิดหมดบันนี้ความคิดมาไว้กับตัวรู้เลยวัเ น, นี่ยรู้รู้รู้สะพือะพือไปทําอยู่ตั้งสองอาทิตย์ มาลองทดลองดูมันจะเป็นยังไงพอมันมันว่อเขาเห็นตัวรู้สึกนี่นะมันก็มาอยู่กับตัวรู้สึกก็มันก็พอเราหยุดทดลองไปมันไม่ต้องไปบนไม่ต้องไปนับมันเนี่ยเดินไปให้เห็นตัวรู้สึกไปบางทีก็นานๆจะค่อยจะไปไปเห็นความคิดตัวเองเอาไปเอามาเอาไปามา มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, น, นในบันเนี้ยค่รูจ้จักรู้จักรูปรู้จักนามรูกนามเนี่ยมไม่ใช่ได้เห็นมันเฉยเฉยนะเห็นแล้วคนลุกคขนพองเนี่ยแล้วอันนด้เกิดขึ้นน่ะอันอนี้ไม่ไม่ไม่รู้อะมันก็รู้เองมันก็เข้าใจเองเพอเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ุณลุกคขนพองมีความปรากพึ้งอวบปาบพึ่งใจเดินไปเนี่ยโอ้ทงองค์อัด ไม่นั่นเลยไม่มีความอกลัวความลักความจังกับใครหรอกมีแต่ความสบายออกสบายใจอืมอะไรก็รูปไปรูปไปรูปไปอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รูปไปมันก็ค่อยไปไมันค่อยเบาเบาใจก็รูปน้ําเนี่ยมันก็เห็นเนี่ยมันก็ไปเห็นนี่แหละเห็นตาเราเห็นทางนอกเนี่ยเราก็เห็นหูได้ยินเราก็รู้จัก รู้จักหมดแต่เรามันรู้จักรูรปน้ําเนี่ยแต่ความรู้ตื่นเนี่ยก็ไม่รู้บัด ม, มาเอามันมันรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปธรรมดามันหนักแข้งหนักขานักเนื้อหนักตัวตะลืมตะลือเป็นไอเป็นจําสารพัดแต่งเตี๋ยมันจะเป็นอืมเป็นไข้เป็นหนาวแค่นั้นแหละหนักเนื้อหนักตัวไปขาก็หนักอะไรก็หนักอทางเนี่ยดีๆแต่งเตี๋ยเนี่ย เป็นหลุมเป็นบ่อเทไส้เทขัวคว่ำเง่าเง่าเง่านาะเง่าเง่านอนมันก็นมาทับถมเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในทุกทุกเนี่ยเราไปทําการทำ ง, งานอยู่บ้านนะแต่ก่อนเราไม่เคยไปทุกเหมือนเรามาปฏิบัติทำเลยไปเห็นนั่นนั่นแหละพอมาเข้าใจนี่อืพอเห็นใหม่ปั๊บเนี่ยมันจะเห็นแน่เห็นไหม พอพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเพรบเลยอพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยหนักไปหนักมาเนี่ยบัตรมันเดียเอาแท้ๆมันไม่อะไรไม่โต้ตุดอะไรหรอกเอาให้มันตายอยากเดินให้มันตายจะเฉยในแข่งมันมันหนักพอมันไปเอาไปเอามาเราก็เพลินไปกับมันอะ มันทุกข์ก็ทุไปกับมันอ่ะทุกข์ไประหบาดมันจะเป็นมันก็คล้ายๆเรามันอะไรหลุดออกจากคอเราแขนหนักๆเนี่ยตั้มเด่นเด่นเด่นเด่นด้งเนี่ยใจอันตัวเราเนี่ยแล้วมันเป็นปรากฏขึ้นมาแดีววันนี้ก็หุ้ยมันเป็นอะไรแบบนี้ใจมันก็วะออกเลยว่าออกมาเนี่ยก็เห็นเห็นตนใหม่เห็นอะไรเนี่ยมันก็โอ้โนี่โอ้โหนี่ อันเขาเรียกว่ารูปอันนี้น้องบัณฑิก็มามาเห็นเดินไปเดินไปเดินไปอีกก็มาดูตัวเองอ้าวกายของเรานีด้วยเป็นรูปอ่ะกายเนี่ยมันเป็นรูปเดินไปเดินไปเดินไปมามันก็ไปเข้าใจอันมันคนเคลื่อนไหวเนี่ยม้นใครบอกให้มันเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกพ้นตายรู้สึกไหมไม่รู้สึก ตัวรู้สึกเนี่ยตัวนามเราอ่ะมันอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรล้วแต่เราไม่เห็นมันมันก็เห็นเห็นดังแจ้งแจ้งเนียพออย่างนั้นพอมันเห็นนั้นน่ะตาเห็นเดี๋ยวไปก็เป็นรูปเป็นนามอ้าวรูปเดียกคือตัวเห็นตัวนึงเป็นหนึ่งตัวนี้เห็นตัวตัวเห็นนี่มันเป็นรูปตัวโดยเออตัวตัวตัวรูปน่ะเป็นนามอ้าวนี่ตัวเห็นนี่เป็นรูปตัวรูปนี่เป็นนามไปเห็นนั่นน่ะดูนั่นน่ะ ดูไปดูไปดูไปเห็นอาการมันเกิดขึ้นมาดูความรู้สึงเนี่ยมัน ม, ม, ม, ม, มีมีตัวไม่มีตัวเน่เนี่ยเกิดความพ่ออกพ่อใจภูมิอกภูมิใจเดินไปเนี่โอ้ยเบาเอี่ยเกิดอะไรรูปน้ําเนี่ยมันก็เกิดโอ้ยกายตาหูจมูกเนี่ยกายใจมันก็เป็นรูปเป็นน้ําคือกันแน่เนี่มันเป็นแต่ไม่เห็นตัวมันนอกคนเราน่ะแต่แต่วันรู้จักใจมันเองมันรู้จักเองนเนี่ยตัวเห็นตัวตัวเห็นแล้มันจะเห็น ออันนี้เป็นรูปนิมมานานก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็มันเป็นอยา่างไหนบัตรเนี่ยมันก็ค่อยโอ้ถงองค์อาจอยากไปพูดอันนั้นอยากให้พูดอันนี้ให้คนฟังอยากให้ครูบาอาจารย์มาถามเนีย่ยมันเป็นโอ้ถงองค์อาจกล้าหาอใครอยากทําอะไรก็ได้ไม่ไม่ไมนันนอกเลี้งรูปเลี้ยนามเนี่ยมันจะพูดให้ฟังแล้วก็มันมันก็ค่อย ค่อยเข้าใจเองพอรู้จักรูกจากน้ําแล้วค่อยรู้จักเองโอ้ทุกทั้งกายมันเป็นอย่างนี้ทุกทางใจเป็นอย่างนี้มันก็ค่อยรู้จักรู้จักไปนั่นแหละพวกเราอย่าไปเอาอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่มาพอมันรู้จักเขารูปจากน้ําแล้วนั้นมันจะค่อยค่อยเข้าใจเองไม่ได้ไปหาเดียนกับใครหรอกมันจะเกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นเมื่เราเห็นมันมีตัวไม่มีตัว อาการทุกอย่างมันเกิดขึ้นให้เราเห็นเนี่ยเขาเรียกวา่าวัตถุหรืออาการถึงที่มันเกิดขึ้นเราเห็นเนี่ยเห็นเห็นว่าเราตั้งแต่ก่อนเราไปเป็นกับมันมันบันนี้เราไม่เป็นแล้วมันเนี่ยโอ้อันนี้ก็ไม่เตี้ยงอันนี้ก็ไม่เตี้ยงไม่มีตัวไม่มี ต, ไมมตนไม่ถัดไม่ถัดกับบุคคลตัวตนเราเขาเอี่ยเขาไปรู้จักกายรู้จกัจกใจของเราโอ้ h, อันนี้เป็นกายอันนี้เป็นใจเ อ, อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามเราก็รู้จักค่อยรู้จกัก เขาก็อยากเทศแล้วมาเนี่ยอยากไปสอนคนนั้นอยากไปสอนคนนี่แหละนั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยเป็นบ้าอยู่ตั้งหลายปีอยู่ไม่มีใครเอาไปไ ม, ไม่มีใครไปบอกเลยอาจารย์มีแต่เอาไปใช้ไปใช้ก็อาจารย์มหาดเดเรกเนะี่ยตัวสาคัญเอออเาหลวงพ่อไปใช้จนตนธรมาฏตั้งสองครั้งเ อ, เอาไป พวกเนี่ยพ ว, พวกพวกพระใหม่เนี่ยมันก็จนไม่มีคมพูดนั่นแหละต่กบอาจารย์มหาดิเรกเนี่ยท่านออกไปไปไหนก็ไปด้วยกันไปแล้วบันนี้ก็บติเวราเทศก็ให้หลวงพ่อแนละ้วขึ้นเทศเทศก็มันก็ไม่มีคาพูดแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่นี่แต่ตอนโขบัณฑิตไปเอา ต้องไปหาวิธีใหม่วันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องสอนใครไปหาปฏิบัติใหม่ไปหาดูดูดูนาใหม่จะค่อยเข้าใจถ้าถ้าเราขี้เกียจไม่ได้เนี่ยบางคนเขาหนีไปเลยพวกที่เป็นเหมือนกันอ่ะ เ, เราต้องอดทนอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปเชียร์มันอะไรเกิดขึ้นอย่าไปเชียร์เชียร์ท่ถ้าไม่ไปก็อดขินท่านไม่ได้อ่ะถ้านเป็นอะไก็รู้จักอยู่ มันก็ได้ไปไปไปศึกษาไปบอกพวกพวกพระใหม่ๆนะมันก็เป็นอย่างนั้น ถ, ถ้าลู้จากเดวเราก็ไม่ต้องไปอ่ะดีที่สุดถึงเวลาแล้วเอาละอันนี้ยเอาละ